เหมือนกับเราก็โดดข้ามของพ้นไปแล้วอยู่ฝั่งโน้นเราก็เลี้ยวลงมาข้างนี้ข้างนั้นมันเป็นอันตราย้ายกาดมีเสือมีผีมีอะไรกี้ประถับมีสัตว์ร้ายอยู่ที่นั้นเราโดดออกมาข้างเนืออันตรายไลยกาดเล่านั้นจะตามเราไม่ได้นั่นแหละคือนิพพานพ้นไปจากโลกียะธรรมคนใดยังไม่ถึงนิพพานยังไม่รู้นิพพาน